นิทานเรื่องที่สองพระเจ้าตรีวิกมเสนจำต้องเสด็จกลับมาที่ต้นอโศกอีกครั้งเพื่อรีบนำศพนั้นกลับไปยังที่นัดหมายของโยคีพระองค์เสด็จกลับมาทางเดิมระหว่างนั้นเวตาลก็กล่าวทำลายความเงียบขึ้นอีกว่าอ๋อราชาพระองค์จะทรงแบกศพอย่างนี้เป็นการไม่สมควรแก่ฐานะเอาซะเลยถ้างั้นข้าจะเล่านิทานสนุกให้ฟังอีกสักเรื่อง ได้โปรดฟังเถอะณหมู่บ้านพรมสนริมฝั่งแม่น้ำยมุนาซึ่งเป็นที่อยู่ของบรรดาพรามในที่นี้มีครอบครัวของพรามชื่อว่านิสวามินเป็นผู้ที่รอบรู้ในด้านพระเวททั้งหลายเขามีบุตรสาวรูปงามนามว่ามันธารวดีในเวลาต่อมาได้มีพรามหนุ่มสามคนจากแคว้นกันยกุพชัชมะสู่คอนานางมนธาวดีและกล่าวว่า หากนางแต่งงานกับคนอื่นจะฆ่าตัวตายผู้เป็นบิดาจึงกุ้มใจเป็นอย่างมากเนื่องจากพรามณทั้งสาคนมีความรู้ความสามารถเสมอกันและเกรงว่าเมื่อยกลูกสาให้ใครคนใดคนหนึ่งอีกสองคนจะฆ่าตัวตายบิดาของนางจึงตัดสินใจยากที่จะเลือกใครคนใดคนหนึ่งมาเป็นบุตรเขยครั้นเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อนางมัณฑารัตีถูกงูพิษกัดจนถึงแก่ความตาย สร้างความเสียใจแก่บิดาและพราหมณ์ทั้งสามเป็นอย่างมากไม่ว่าจะหาวิธีใดก็ไม่สามารถเอาชีวิตนางกลับคืนมาได้จึงตัดสินใจนำศพของนางไปเผาที่ป่าช้าภายหลังพราม์ทั้งสามก็ได้แยกทางกันไปโดยพราหมณ์คนที่หนึ่งได้นำเท่ากระดูของนางมาโปรยลงบนเตียงแล้วนอนทับพราหมณ์คนที่สองได้นำกระดูของนางทิ้งลงแม่น้ำคงคาส่วนพราหมณ์คนที่สเดินทางผเจนจรไปเรื่อย จนมาถึงหมู่บ้านวัชระโลกและได้เข้าอาศัยกับพรามผู้หนึ่งโดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งมีเสียงร้องจ้าของทารกดังขึ้นนั่งพรามมณีซึ่งเป็นมารดากรดมากจึงจับทารกโยนเข้ากองไฟพรามหนุ่มเห็นดังนั้นก็กล่าวขึ้นว่านี่เราอยู่ในบ้านของพรามหรือยักษ์ร้ายกันแน่พรามเจ้าของบ้านจึงกล่าวขึ้นกับพรามหนุ่มว่าอย่าตกใจไป ว่าแล้วเขาก็ร่ายมนต์คาถารงเอาขี้เท่าโปรยลงในกองไฟเมื่อสวดจบเด็กทารกก็กลับคืนชีพมีลักษณะเหมือนเดิมทุกประการพรามหนุ่มจึงค่อยสบายใจนั่งลงกินข้าวยางปกติตกดึกขณะที่พรามเจ้าของบ้านกำลังหลับไหลพรามหนุ่มจึงค่อยๆ ย, ย่องออกไปขโมยคำพีชุบชีวิตแล้วเดินทางออกจากหมู่บ้านนั้นไป มุ่งหน้าสู่สุสานของนางมันธารวดีทันทีที่นั่นเขาได้พบกับพรามคนหนึ่งเดินทางกลับมาจากแม่น้ำคงคาพอดีและพบกับพรามอีกคนหนึ่งกำลังนอนอยู่บนเตียงซึ่งโรยด้วยขี้เท้าพรามคนที่สามจึงได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังทั้งหมดจึงได้ช่วยกันนําเท่าฐานของนางมันธารวดีที่ยังพอมีเหลือโรอยลงในกองไฟแล้วร่ายมนต์คาถาจนกระทั่ง นางมัทาราวดีกลับมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งแต่ทว่าพระทั้งสต่างถกเถียงกันอย่างหนักข้าเป็นผู้เก็บรักษาเท่าถ่ า, ถายของนางเอาไว้และมเะาเพนตบับเคลื่อนนางมาโดยตลอดนะขะาสมควรได้นางข้าเป็นผู้นําเท่าถ่ายของนางไปทิ้งลงแม่น้ําคงคาทําให้นางผุดพองงดงามกว่าเดิมข้าสมควรได้นางสิข้าเป็นผู้ไล่มนคาถาชุบชีวิตให้นางอีกครั้งหญิงสมควรที่สุดที่จะได้ครอบครองนาง ท่านราชาผู้ยิ่งใหญ่จงตอบข้าเถอว่าใครควรจะได้ครอบครองนางมันทารวดีมากที่สุดหากท่านรู้แล้วไม่ตอบท่านรู้นะว่าจะเป็นอย่างไรหากเราไม่พูดก็จะต้องถูกคําสาดถ้าพูดเจ้าเวตาลก็จะกลับไ ป, ไปยังตโตนัโศกอีก <laughs> ทําหัวหัหัำอะไรนะเจ้าเวตาลแสนกนหัว <laughs> ำที่เวตาลยัางค่า สามารถบังคับพระราชาอย่างท่านได้ยังไงล่ะเจ้ามันเมื่อพระเจ้าทรีวิกรมเสนกล่าวจบเวตาลก็หัวเราะเสียงกังวานหายวับไปจากบ่าของพระองค์กลับคืนสู่ต้นอโศกดังเดิมความรักที่แท้จริงย่อมเกิดจากความซื่อสัตย์และยอมสละได้แม้กระทั่งความสุขของตนเอง